พระอุดมสังวรวิสุทธิเถระหลวงปูวนันอุตตะโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมถ้ำพวงอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2465ถึง2523 กายของเราเป็นภาระต้องหอบเหี่ยวไปอย่างหนักที่เราแบกภาระไม่มีเวลาว่างเว้นหนักอยู่ตลอดการให้พิจารณาถึงว่า รูปร่างกายของเรานี้เป็นภาระเรายังวางไม่ได้อุปทานความยึดถือของกิเลสมันฝังมีอยู่เราจึงได้ยึดภาระหนักนี้ จะต้องเป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่ในโลกนี้มีความทุกข์อยู่ตลอดการร่างกายของเรานี้แหละท่านว่าเป็นมหาพูดตรรป พูดก็คือผีมันจะต้องรบเรา้าทำความเดือดร้อนให้เราอยู่ตลอดการต้องได้เลี้ยงได้เส้นสวงมันอยู่ตลอดการเวลาเราเส้นสวงผีอันนี้ เราก็ว่าบริโภคอาหารอาบน้ำนุง่งผ้าประดับประดาตกแต่งร่างกายเราก็ว่าไปอย่างนั้นความจินการเส้นสวงผีอันนี้เราหาของมาเส้นมัน มาบวงสวงบูชามันแต่มันก็ไม่กรุณาเราเลยมันมีแต่จะทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาการที่เราหาของดีๆมาเส้นมาสวงนั้น ก็พยายามตกแต่งดีๆมาทะนุถนอมประจบประแจงมันแต่แล้วมันก็ไม่เหลียวแลเราผ้าดีๆก็หามาให้หนุ่ง เรื่องประดับก็เอามาผูกแขวนให้เครื่องรูปไล้ต่างๆเครื่องหอมต่างๆก็เอามาฉลมใส่ตัวของเราอยู่เส้นสวงมันไว้เท่าไหร่ ยังกอทุกข์ให้แก่ตัวเราอยู่แต่ถ้าเราไม่เส้นสวงมันก็ไม่ได้มันจะเล่นงานเราใหญ่เราก็ต้องเส้นสวงมันพอทุเลาไป ร่างกายนี้จึงเท่ากับว่าเป็นอสรพิษไม่รู้คุณเราเลยที่เราทนุถนอมเลี้ยงดูมันมันก็ไม่ได้เอื้อเฟื้อไม่ได้มีความเอนดูสงสาร ได้กรุณาเราเลยมีแต่จะบีบบังคับก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่จิตใจของเราอยู่ตลอดเวลานี่คือการพิจารณาให้เห็นโทษของร่างกาย มันเป็นโทษอยู่อย่างนี้เราควรนำมันมาพิจารณาให้เห็นโทษเห็นภัยของมันยิ่งถ้าเราพิจารณาแล้วได้เกิดความสลดสังเวชขึ้นมา จะได้บุญอันยิ่งใหญ่หรือบุญจากการภาวนาลักษณะการพิจารณาต้องพิจารณาร่างกายของเราให้เห็นโทษเห็นภยัยเห็นทุกข์ ภายในร่างกายของเรามีอยู่ภัยจากความแก่ความเจ็บและภัยเกิดจากความตายอันนี้เป็นภัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ป้องกันไม่ได้ มันต้องเป็นไปตามสภาพของมันร่างกายของเรามันจึงมีภัยรอบตัวมีทุกอยู่รอบตัวทั้งหมดให้เรากำหนดพิจารณาอย่างนี้จิตของเราจึงจะสงบ เกิดความสลดสังเวชเกิดความเบื่อหน่ายจิตของเราจึงจะละวางอุปทานความยึดถือในร่างกายนี้โดยที่เราไม่ถือว่าของของเรา เป็นของส่วนตัวของเราเราจะได้ละได้วางจิตของเราตั้งอยู่ในความสงบได้ปัญญาก็จะเกิดขึ้นพิจรารณาสภาวะธรรมทั้งหลาย ก็จะเห็นเป็นความจริงขึ้นมาสัจธรรมจึงจะเกิดขึ้นในใจของเราเพราะการคน้นการกำหนดพิจรารณาจะล่วงรู้เข้าไปจิตใจก็จะสว่างพ่องใสขึ้น จะได้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันเกิดจากความผ่องใสของจิตใจปัญญาก็จะเกิดขึ้น ราฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ทางนี้ต้องอาศัยการฝึกในการภาวนาของเราให้มีสติสัมปชัญญะ ใจิตของเรามีความรู้สำนึกอยู่จิตที่ดีจะต้องอยู่ในความเที่ยงธรรมคือไม่ตกไปในอิทธารมอินิฐารมไม่มีความรักไม่มีความชังเรียกว่าจิตเป็นกลาง จิตของเรามันรวมแน่วแน่จดจ่อในสิ่งเดียวจิตก็จะมีกําลังขึ้นเมื่อจิตของเรามีกําลังจิตนี้ก็จะต่อต้านกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราจิตก็จะมองเห็นสัจธรรม รู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น